อนาปฏิวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ408 1. ภิกษุผู้สำคัญว่าเป็นอย่างนั้นโจ์เองหรือสั่งให้ผู้อื่นโจทย์ 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัติทศยะทุทธะโทสสิกาบทที่9จบ